เปไงหาหน้าไปนานที่เคยมาถ่ายรูปใช่ไหมใช่อ่เป็น ม, มากราบนามอันนั้นถ่ายให้พวกคุณทุนต้นนะต้นใช่ไหมพวกเพื่อ น, <ห>นต้นเป็นผู้จักนต้อนอ่าต้นเนะนี่ยเดี๋ยวนี้ไ่รูหายไปไหนต้นไม่ได้มาเลยไม่ได้มานานแล้วออไปสายนู้นแล้วครับเห็นไปก่อสร้างอะไร ชอบสร้างโบทสร้างเจดียชอบทำทานภาวนาไม่ได้ให้อยู่ภาวนาแล้วอยู่ไม่ไหวยังออกชอบออกข้างนอกชอบออกทางตาหูจมูกนิ้นกายให้นั่ง เ, เฉยๆนั่งหลับตาดึงใจเข้าข้างในเนี่ยไม่ยอมดิเลตไม่ยอมเข้ามันจะหอนนิดๆเ น, นี่ย เป็นยังไงไตัวตัว ส, สันตงดครับอ๋ออันนี้ไม่ไม่หอนแล้วหอนนิดนิดหอนเพราะเป็นแน ม, ปะะม่ใช่ไหอ่าดีมีภรรยาเลยใช่ไหมใชไมยังไม่มีครอบครัวดีแล้วยังมีกะดีมีแล้วเป็นทุก ไม่มีแล้วไม่ทุกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีเพราะสิ่งที่มีมันไม่เที่ยงมันเกิดไม่ดับได้เวลาดับก็ร้องหบงร้องไห้กันเวลาไม่ดับก็กังวลกันกังวลมันจะดับเมื่อไหร่นี่คือปัญหาของทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยง แต่เราอยากให้มันเที่ยงเราได้อะไรมาแล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆอืแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันได้ร่างกายมาก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีวันจบมีวันเสื่อมมีวันดับไม่มีสบาย พระพุทเจ้าเห็นว่ามันทุกอย่างมันมีแล้วทุกก็เลยไม่มีเลยไม่เอาไม่แต่ร่างกายร่างกายก็ไม่เอาวิธีจะไม่เอาร่างกายได้ก็ต้องเลิกใช้ร่างกายตอนนี้เรามีร่างกายเพราะเราต้องต้องใช้ร่างต้องการใช้ร่างกายเป็นตัวหาความสุขให้กับเราเรายังอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากดมก็ต้องมีกระหมู อยากลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆก็ต้องมีร่างกายความอยากนี้เลยว่าเป็นตัวที่ทําให้เราต้องมามีร่างกายกันอยู่เรืย่ยแต่ถ้าเราเห็นว่ า, าการมีร่างกายมันทุกข์เนี่ยมีแล้วมีร่างกายแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ต้องตัดความอยากอยากใช้ร่างกายพาไปไหนมาไหน จับร่างกายอยู่เฉยๆมาอยู่วัดนนบำบวดแล้วก็ไม่ต้องไปไหนกินกันนอนอย่างเดียวกินกันนอนอย่างเดียวได้สบายคนเราก็มีแค่นี้แหละถ้าเรา ก, กินได้นอนหลับก็พอแล้วจะไปเอาอะไรอีกแต่ไม่พอใช่ไหมกินเสร็จนอนหลับแล้วก็ต้องดูหนังฟังเพลงต่อต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ เที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอดูเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอไม่ได้ดูก็ทุกพอเวลาแก่ไม่ได้ดูไม่ได้ไปไหนมาไหนก็ทุกอยู่อยู่เฝ้าบ้านก็หัดอยู่หัดทำตัวเป็นคนแก่ตั้งแต่แบบนี้ไปไม่ดีกว่า ต่อไปก็ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ใชไหมต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บจะไปทำอะไรลวก็นอนกับเตียงกินกินกับนอนแต่ใจมันไม่ยอมเวลาแก่มันถึงทุกข์เพราะมันยังอยากอยู่ยังอยากไปนู่นมานี่ยังอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสนมกลินอะไรต่างๆอยู่พอทำไม่ได้ก็ทุกข์กัน ทุกไม่ใช่เพราะความแก่ทุกเพราะความอยากอยากทำแน้วไม่ได้ทําำถ้าไม่มีความอยากแล้วความแก่จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากจะไปไหนมาไหนร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์เพราะว่ามันไม่มีความอยากไปแต่ถ้ามีความอยากไปไหนมาไหนถ้าร่างกายไปไม่ได้ก็ทุกข์ น, นี่คือความทุกข์ทุบทุกเพราะความอยากถ้าตัดความอยากได้ก็จะไม่ทุกข์ตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายพาไปไหนมาไหนพอไม่มีความอยากแล้วร่างกายก็ไม่มีความหมายไม่ต้องใช้มันมันจะไปหรือมันจะเป็นจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้ามีความอยากนี้มันต้องให้ร่างกายเป็นอย่างเดียวตายไม่ได้เจ็บไม่ได้แก่ไม่ได้เพราะถ้ามันแก่มันเจ็บมันตายแล้วเราไม่สามารถหาความสุขได้ที่เราไปไหนมาไหนเพราะเราเพราะคิดว่าไปแล้วมันมีความสุขอยู่บ้านแล้วมันหยุดเหงิดลำคาญใจเศร้าเศร้าเศร้าโศงโศงเงาอยต้องออกไปนอกบ้าน ไปที่นู่นที่นี่ไปศ아아ไปูนย์การค้าไปลงภาพประยุนต์ไปหาอะไรดู belong, อะไรฟังอะไรกินอะไรเดือก็มีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านก็เหมือนเดิมอยู่บ้านเดี๋ยวก็เหงาอีกแล้เบื่ออีกแล้ต้องออกไปเรื่อยๆจะทําไปเรื่อยๆจะกระทั่งแก่แกที่นี่จะไปก็ไปไม่ไหวก็ต้องอยู่ อยู่ก็อยู่แบบไม่มีความสุขอยู่เพราะหงุดหงิดตำคารใจเศร้าซ้อยง้อยเหงาอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อยากจะดูอะไรก็ดูไม่ไหวทำอะไรก็ไม่ไหวความอยากมันจะไปตันเอาตอนที่ร่างกายมันไม่สามารถตอบสนองความอยากได้พออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกขานั้นเลทุกข์เกิดจากความอยากพระพุทธเจ้า ตรงตัศโลถ้าไม่มีความอยากจะไม่ทุกข์อยู่เฉยๆจะไม่เดือดร้อนไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่ได้ไปเที่ยวที่นั้นที่นี่จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากวันไหนที่เราไม่อยากออกนอกบ้านวันนั้นอยู่บ้านมีความสุขนะแต่ถ้าวันไหนอยากจะออกนอกบ้านแล้วไม่ได้ออกนี่มันทุกข์ ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็มาหยุดความอยากกันหยุดความอยากด้วยการนั่งสมาธินั่งสมาธิหยุดความคิดได้ความอยากก็จะหยุดตามความอยากมันอาศัยความคิดก่อนที่เราจะอยากเราต้องคิดก่อนคิดถึงขนมถึงอยากจะกินคิดถึงเครื่องดื่มถึงอยากจะดื่ม ถ้าไม่ได้คิดมันก็จะไม่มีความอยากตามมางัมา้มาหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดกันโดยการใช้ความคิดที่ไม่ไม่เกี่ยวกับความอยากเช่นคิดว่าพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปเนี่ยสวดไปทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่คิดมันจะไม่ได้คิดถึงความอยากคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ใจก็จะอยู่เฉยๆได้นั่งเฉยๆก็สงบ มีความสุขมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทําอะไรดีกว่าความสุขที่ต้องทำํนนทำนู่นทํานี่เพอสุขเดี๋ยวเดียวพอได้ทําก็สุขพอหยุดทําก็หายสุขพอไม่ได้ทำํำพออยากพอจะทําที่ร่างกายทําไม่ไหวเหนื่อยไม่มีแรงก็ไม่สุขแล้นี่คือ พวกเราหลงหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขอความสุขที่เป็นความทุกข์เพราะมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียๆ mm hmm. เวลาเวลาได้ทําก็มีความสุขเวลาได้ดูได้ฟังก็มีความสุขพอไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็ไม่มีความสุข mm hmm. ต่อไปร่างกายมันก็จะทําไม่ไหว mm hmm. เวลามันแก่มันเจ็บไข้ได้ป่วย เวลามันตายใจก็จะทำอะไรไม่ได้ผ่านทางร่างกายไม่ได้ก็จะไม่มีก็จะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ใจแต่ถ้าเรามาหยุดความคิดหยุดความอยากได้เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ไม่ได้ใช้มันพอเรามานั่งเฉย แเวลานั่งสมาธิเราใช้ร่างกายทําอะไรบ้าใช้ตาดูบ้าใช้หูฟังบ้างไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้ตาจมูกตาหูตาจมูกเล่นกายเลยให้มานั่งเฉยๆล้วทําใจให้สงบหยุดความคิดให้ได้พอไม่มีความคิดจิตหยุดคิดแล้วจิตความอยากก็หยุดพอไม่มีความอยาก จิตก็สงกมีความสุขขึ้นมาฉะนั้นพยายามมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าหาความสุขที่เกิดจากการหยุดความคิดดีกว่าเพราะมันไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้คนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา ถ้าเราหาความสุขแบบอืน่นนี้เราต้องใช้เงินทองอยากจะได้ของก็ต้องมีเงินไปซื้อมาอยากจะได้แฟนก็ต้องไปหาแฟนไปขอขอ้ขอขอข้อให้มาเป็นแฟนเนาะถ้าขอไม่ได้ก็ทุกข์เหงาพอได้แฟนมาก็จะทุกข์กับการห่วงนี่ห่วงแฟนห่วงแฟนอี่ กราวว่าเขาจะไม่เป็นของเราไปเรื่อยๆเป็นเป็นของเราเป็นนานๆเพราะเดี๋ยวก็จะเ ป, เป็นแฟนของคนอื่นดังนั้นการหาความสุขจากสิ่งต่างๆนี้จะนาไปสู่ความทุกข์เสมอเพราะว่ามันไม่เทียงเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้สั่งให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่ได้ห้ามไม่ให้มันจากเราไปไม่ได้ แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เราสั่งได้แต่ตอนนี้เราสั่งไม่เป็นสั่งให้ใจเราหยุดคิดไม่เป็นเราต้องมาหัดหยุดคิดกันต่อไปเราจะสั่งให้ใจหยุดคิดได้หยุดความอยากได้ให้อยู่เฉยๆได้ให้มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีรูปเสียงกลิก่นรสไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีทรัพสมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ ไม่ต้องมียศมีตำแหน่งไม่ต้องมีหน้ามีตาไม่ต้องมีอะไรถ้ามีความสงบแล้วไม่ไม่ไม่ต้องมีอะไรความสงบนี้จะอยู่กับความว่างได้คนที่มีความสงบแล้วจะอยู่กับความไม่มีอะไรได้ไม่มีลากไม่มียศไม่มีสรรเสริญ ไม่มีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายเรียกว่าอยู่กับความสูญอยู่กับความว่างเปล่าแต่กับมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินทองกองเท่าภูเขามีตํแหน่งใหญ่โตมโหฬารมีคนย่องยงสรรเสริญอยู่ตลอดเวลามีรูปเสียงกิ่นรถให้เสดตลอดเวลา ก็จะต้องไปเจอวันที่ไม่สามารถที่จะมีสิ่งเหล่านี้ได้ <Okay. S 1> เวลาที่ร่างกายแก่เจ็บตายหรื mm hmm. เวลาสิ่งเหล่านี้จากเราไป ก, ก่อนที่เวลาอันควร mm hmm. ถ้าลาบเสื่อมเมื่อไหร่รก็ทุกข์เมื่อนั้น mm hmm. ถ้ายเยอะเสื่อมเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นถ้าสรรละเสริมเสื่อมเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นเมื่อความสุขทาง ตาหูจะูกเนื้อง่ายเสื่อมไปเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นแล้วมันต้องมีวันเสื่อมมันไม่มีอะไรที่จะขึ้นอย่างเดียวจะเริ่มอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญแล้วก็ต้องมีมการเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่งั้นอย่าไปมีอะไรดีกว่าอย่าไปหาอะไรมาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราให้หาความสงบเป็นเครื่องมือดีกว่า ให้มาหยุดความคิดกันจะหยุดความคิดก็ต้องอย่าปล่อยให้ใจคิดให้มันคิดอยู่ในเรื่องที่ไม่เป็นเป็นเรื่องเป็นราวอยเราสวดมนต์เนี่ยเราเราสวดไปเราไม่รู้ว่าเป็นความหมายอะไรไม่มี mm hmm. สวดเพื่อให้ใจเรามีงานทำเพื่อจะได้ไม่ไปคิดที่กับเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราว ลอาคิดเกี่ยวับเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันมักจะเกิดความอยากขึ้นมาให้คิดอยู่กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวคิดอยู่กับการสวรดม น, ด e so, มทท น, นดต์สวดอิติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปโนสุกโตสวดไปอย่าปล่อยให้มันคิด เดี๋ยวไปคิดถึงรูปก็อยากจะดูคิดถึงเสียงก็อยากจะฟังคิดถึงกลิ่นก็อยากจะดมคิดถึงรดก็อยากจะลิ้มเลิ่มเลียมรส ด, ดมกินนี่แหละวิธีที่เราจะไม่ต้องทุก์กับอะไรไม่ต้องมีอะไรพรมีอะไรมันก็ต้องทุกกับสิ่งที่มี ที่มาฝึกสมาธิมานั่งเฉยๆก็เพื่อให้หยุดความคิดกันหยุดความคิดได้แล้วใจจะสบายพุทโธพุทโธไปลองนั่งดูสักชั่วโมงนั่งแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆคิดได้ทั้งวันทาไมให้คิดอยู่คาพุทโธคิดไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้พอให้คิดถึงพุทโธคิดไม่ได้ ของดีไม่ชอบชอบของไม่ดีชอบคิดถึงของที่ทำให้ใจร้อนของที่ทำให้ใจเย็นไม่ชอบคิดกันคิดอยู่กับพุทโธแล้วใจจะเย็นใจจะสบายชอบไปคิดถึงของร้อนคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงข้าวของเงินทองคิดถึงสมบัติต่างๆคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ คิดแล้วก็ใจก็ร้อนขึ้นมาถ้าถ้าคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธได้ใจจะไม่ร้อนใจจะเย็นแล้วเวลานั่งเฉยๆใจก็จะนิ่งได้หยุดคิดได้หยุดพุทธโธได้ไม่ต้องพุทธโธเพราะใจจะหยุดคิดหยุดคิดแล้วใจก็จะสบายมีความสุขสุขยิ่งกว่าการไปเที่ยวรอบโลกอีก สุขยิ่งกว่าการไปงานเลี้ยงระดับของของโลกงานเลี้ยงอะไรที่เขาเรียกว่างานเลี้ยงใหญ่โตสู้ความสุขที่ได้จากการนั่งเฉยๆทำใจให้สงบไม่ได้นัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบนี่ไม่มี สุขอื่นสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบนี่ไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี่เป็นความสุขที่เหนือกว่ า, วาความสุขทั้งปวงลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลดของความสงบนี่ไม่ใช่ลถของรูปเสียงกลิ่นรสลถของรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันร้อนมันทำให้ทุกข์กันมันเผ็ดร้อน เวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันบูดมันเน่าอาหารเวลามันบูดมันเน่ามันก็กินแล้วมันก็ทำให้ท้องเสียรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันก็จะบูดเน่าเวลาที่มันไม่มีหรือเวลาที่มันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราไม่ชอบถ้าได้เห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบก็มีความสุข พอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสมันก็มีทั้งที่เราชอบทั้งที่เราไม่ชอบและทั้งที่เป็นกลางเฉยๆเราก็สั่งมันไม่ได้จะสั่งให้เจอแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้วันดีขึ้นดีก็ไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ชอบ มันดีคืดีก็เจอคนเขาดา่าคนเขาว่าอพอเขาเขาว่าแล้วเป็นไ ง, สงนเสียงมันก็เป็นเสียงเหมือนกันเวลาชมมันก็เป็นเสียงเหมือนกันแต่ใจเรากับทุกข์กับมันนะถ้าเขาชมก็สุกยิ้มแป้นพอเขาเขาว่าเขาดา่าก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเราสั่งได้ปะ่ะห้ามเขาได้ปะ่ะ ห้าไม่เขาด่าห้าไม่เขาว่าเราได้ป่ะถ้าเราไปยุ่งกับรูปเสียงกินรถเราก็จะต้องเจอความทุกข์เพราะมันต้องเปลี่ยนมันไม่ได้เป็นรูปเสียงกินรถที่เราชอบอย่างเดียวเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเป็นรูปเสียงกินรถที่เราไม่ชอบเป็นรูปเสียงกินรถที่เราชอบมันหายไป อย่าไปหาความสุขจากอะไรเลยให้มาหาความสุขจากความว่างดีกว sort of ่าความไม่มีอะไรไม่มีราบยศสารเสริญไม่มีรูปเสียงกิริย์เวลานั่งสมาธินี้เราไม่ได้ใช้ราบยศสารเสริญไม่ได้ใช้รูปเสียงกิริย์ลมาให้ความสุขกับเราเราใช้ความสงบมาให้ความสุขจะสงบได้ก็ต้องหยุดคิดจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีอะไรหยุดมัน ฉันใช้พุโทโธหรือกรรมฐานต่างๆกรรมฐานสี่สิบนี้จะเป็นเครื่องหยุดความคิดได้กรรมฐานสี่สิบมีอะไรบ้างมีอนุสติสิบมีอสุภะสิบมีเกษินสิบพรหมวมิหารสีสส่สามสิบสีแ่แล้วอะไรจำไม่ได้ ไปเปิดดูตำราใช้ใช้กรรมฐานเหล่านี้หยุดความคิดได้อ น, นุสติก็มีสิบเช่นพุทธานุสติก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธเจ้าเลิกถึงพระพุทธกุลด้วยการสวดมนต์ไปก็ได้สวดบทพุทธกุลหรือเราเลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปอันนี้ก็เรียกว่าจเจริญพุทธานุสติ ถ้าธรรมานุสติก็เรานึกถึงธรรมคุณส่วนสว่าขาโตพระกวตาธรรมโอสันทิทิโกอากาลิโกเฮ ห, หิตปัสสิโกเนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังเจริญธรรมานุสติแต่ต้องเจริญนานๆไม่ใช่แค่คำสองคำมันไม่หยุด มันต้องสวดไปยาวเลยสวดมันสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วความคิดต่างๆมันจะาหายไปต้องขยันสวดถ้าไม่ขยันสวดก็ราชขยันท่องพุโทโธก็ได้ธรรมโมก็ได้ถ้าใช้ธรรมานุสติก็ท่องธรมโมธรรมโมธรรมโมไปถ้าสังขานุสติก็ท่องสังโฆสังโฆไปหรสวด สุปฏปิปนโนไปแต่ไม่ใช่สวดแค่ห้านาทีสิบนาทนะีสวดมันไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเอาให้มันเหนื่อยแล้วนั่งมันไม่อยากจะสวดพอมันเหนื่อยแล้วมันไม่อยากจะสวดมันก็จะไม่อยากจะคิดมันก็จะหยุดคิดได้การปฏิบัติมันต้องต้องทุ่มเทเอาจริงเอาจังไม่ใช่เอาพอหอมปากหอมคอ สวดทานาทีสิบนาทีแล้วหวังจะได้ผลนี่ไม่มีทางถ้าอยากจะได้ผลลองสวดดูสักชั่วโมงสองชั่วโมงดูสวดไม่ต้องออกเสียงก็ได้สวดไปไายในใจพุมพำมพึ่มพำมภในใจจะได้ไม่เหนื่อยจะได้สวดนานๆได้ พอเราไม่ได้สวดให้ใครฟังเราสวดวเพื่อหยุดความคิดของเราเองเวลาเราคิดเราไม่ได้ออกเสียงไม่ใช่เหรอคิดจะด่าใครในใจเวลาเราด่าใครนี่ด่าในใจนี่ไม่ได้ออกเสียงเลยด่าก็ได้อาหารนี่ไม่ดีเลยอย่างนั้นอย่างนี้สวดก็สวดในใจได้สวดอิติ ow, ปิโสไปภายในใจหรือธรรมโมไปภายในใจพุทโธไปภายในใจ สังโฆสังโฆก็เป็นสังขานุสติเทวานุสติก็ให้เราเลิกถึงเทวดาเทวดาองค์ไหนที่เราชอบเราเคารพนับถือก็นึกถึงเทวดาองค์นั้นก็ได้เรียกว่าเทวานุสติเวลานั่นงเฉยๆถ้าจะดาูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนาสติดูลมหายใจเข้าออก ให้ดูอ่ดูลมอย่างเดียวอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องลมอย่างเดียวให้คิดว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกอนี่เรียกว่าอนาปนาสติมานุสติก็ให้เราเลึกถึงความตายอยู่เรื่อยเกิดมาแล้วยอมล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เกิดมาแล้วล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ คิดอย่างนี้เรียกว่ามรณานุสติเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องเอาทุกอย่างเวลาจเจริญสติเวลาที่จะควบคุมความคิดนี้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งพุทธโธก็พุทธโธไปดูลมก็ดูลมไปทำโมก็ทำโมไปสังโฆก็สังโฆไปทเววทเวะเทวดาก็ทเท ว, วดาไปอนึกถึงทเท ว, วดา ต้องควบคุมความคิดถ้าอยากจะให้มีความสุขใจถ้าอยากจะให้ใจสงบถ้าใจไม่สงบร่างกายมันไม่สงบเนี่ยมันขยับทำนูน่นทำนี่ทำอะไรกันวนะอยู่เฉยเฉยไม่ได้เลอนั่งอยู่เฉยนะขอร้องถ้าอยากจะทำอะไรก็ไปทำที่อื่นนี่ปะเพราะที่นี่ต้องการความสงบ ทำแล้วมันรบกวนคนอื่นพอใจไม่สงบมันก็ออกมาทางร่างกายทางวาจาคุยกันบ้างทำนู่นทำนี่บ้างถ้านั่งฟังอะไรอยู่ก็จะฟังไม่เข้าใจก็อย่าไปฟังไม่เสียเวลาอยากจะทำอะไรก็ไปทําเลยอยากจะมาทําไปด้วยฟังไปด้วยอันารบกวนคนอื่นไป คนอื่นเขาอยากจะฟังบางทีฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงของการทำอะไรของเรานี่มันไปรบกวนเสียงที่เขากาลังฟังอยู่นี่คือการสร้างความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีสมบัติเข้าของเงินทอง ไม่ต้องมีสามีภรรยาไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรต่างๆอย่างที่มีกันอยู่ขณะ น, นี้มีแล้วก็ต้องทุกข์กับมันเพราะเวลามันจากเาไปก็ทุกข์เวลามันเสื่อมมันเสียไปก็ทุกข์เวลาไม่จากไปก็ทุกข์ทุกข์เพราะกลัวว่ามันจะจากกังวลห่วงใ ย, ยวิตกหวาดกลัวมีอะไรแล้วต้องทุกข์ อย่ามีดีกว่าไม่มีแล้วจะไม่ทุกข์ถ้ามีก็ต้องไม่ยึดไม่ติดมันจะไปแค่มันไปมันจะเสื่อมก็ปล่อยมันเสื่อมไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเอถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์ถ้าไปยึดไปติดมันจะทุกข์เพราะจะอยากไม่ให้มันจากเราไปอยากจะให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆเป็นไปนานๆซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะ เป็นจีรังถาวรต้องมีการเสริมมีการดับมีการหมดสิ้นสุดสิ้นสุดไปหมดสิ้นไป้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปยุ่งกับลาบยศสารเสริญอย่าไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสให้มายุ่งกับพุทโธดีกว่าเอาพุทโธพุทโธนี่แหละเป็นตัวพาเราไปสู่ความสุขต่างๆ ความสุขแท้ที่มีอยู่ในตัวเราถ้าเราหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ใจของเราจะมีความสุขตลอดเวลาจะมีอะไรไม่มีอะไรไม่เป็นปัญหาร่างกายจะเป็นจะตายไม่เป็นปัญหาความสุขใจนี้ไม่ได้ยุไม่ได้โยงติดอยู่กับร่างกายไม่เหมือนกับความสุขต่างๆที่เรากำลังหากันอยู่กำลังมีกันอยู่ขณะนี้มันโยงติดอยู่กับร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไรแล้วความสุขต่างๆก็หมดไปหมดสภาพไปมีเงินกี่ร้อยล้านพันล้านถ้าร่างกายมันไม่สบายก็ไปเที่ยวไม่ได้แล้วไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับร่างกายไม่ได้แล้วแต่ถ้ามีความสุขทางใจนี้ร่างกายจะเจ็บจะป่วยยังไงก็ยังมีความสุขได้เพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ให้ความสุขมีสุขสองทางสุขทางกายกับสุขทางใจหร่อสุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลกก็เนี่ยสุขกับราบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้ร่างกายถ้าสุขทางทางธรรมก็ใช้ธรรมะใช้กรรมฐานสี่สิบนี้เป็นตัวทมให้ใจมีความสุข นอกจากพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเทวานุสติก็ยังมีมรา น, านุสติอาปะนะอานาปณนะสติอานาปณนะสติก็ใช้ดูลมหายใจเข้าออกเป็นตัวผูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใช้มรา น, านุสติให้ระเลิกถึงความตาย อ, าอยู่ก็จะไปนึกถึงเรื่องอื่นไม่ได้ เลยให้เราอันต์นึกถึงอาการสามสิบสองของร่างกายก็ได้กายะกะตาสติเลือก<ม> ด, ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ให้เวลาเราทํางานทําอะไรก็ให้อยู่กับงานที่เราทำกําลังเดินให้กอยู่กับเดินเรื่องอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่น เวลารับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหารอย่างเดียวอย่าไปอยู่กับเรื่องอื่นแต่เราไม่เราชอบทําหลายเรื่องร่างกายรับประทานอาหารไปเราก็คิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ยอมอยู่กับที่พอจให้มันอยู่เฉยเฉยมันเลยไม่อยู่เฉยเฉยมันจะไปเรื่อยเรื่อยให้มันนั่งดูลมหายใจเข้าออกมันก็ไม่ยอม มันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้มันอยู่กับพุทโธมันก็ไม่ยอมอยู่เดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราต้องให้มันอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งมีสี่สิบฐานเนี่ยให้มันตั้งอยู่ในฐานใดฐานหนึ่งตั้งอยู่ในอนาปานสติตั้งอยู่ในพุทธานุสติธรมานุสติสามขานุสติ เทวานุสติอานาปานาสติมรณานุสติกายะกะตาสติอย่างนี้เป็นที่ตั้งของใจที่จะทำให้ใจนิ่งทำให้ใจไม่ลอยไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันทำอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องได้จะทำใจให้สงบได้ก่อนที่จะนั่งทำใจให้สงบได้นี้ต้องมีสติ คอยดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวก่อนให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับธรรมโมหรืออยู่กับสังโฆหรืออยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายหรืออยู่กับความตายมันมีมันเป็นวิธีที่จะทําให้เราหยุดคิดได้ถ้ามันอยู่กับเรื่องเดียวเวลาเรานั่งสมาธิจิตมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะมีความสุขนะ แล้วเราก็จะได้เลิกหาความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แล้วเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์รถยนต์ที่เราไม่ใช้แล้วนี่มันจะเสียเราก็ไม่เดือดร้อน ยางมันจะแตกเราก็ไม่เดือดร้อนก็จอดนั่นทิ้งไว้เฉยๆอย่างนี้อยังแตกก็แตกไปสตาร์ทไม่ติดก็ไม่ต้องสตาร์ทมันเพราะเราไม่ได้ใช้รถแล้วร่างกายก็เหมือนรถถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราไม่เกี่ยวกับมันแล้วเราไม่ต้องใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้ว เราใช้พุทธโธเราใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนใช้มรณาโนสติใช้อานาปนานสติใช้พุทธานุสติใช้กายะกตาสติอย่างใดอย่างหนึง่งที่เราชอบที่ถูกจริตกับเราเราก็ใช้อันนั้นไปถ้าเบื่ออันนี้ก็ใช้อัอนนึงวันนี้พุทธโธพรุ่งนี้ธรรมโ ม, มเมือนนี้สังโคก็ได้มันแทนกันได้ใช้แทนกันได้ กรรมฐานสี่สิบชนิดนี้ใช้แทนกันได้ในการที่จะหยุดความคิดได้ใช้หยุดความคิดได้ขอให้มันใช้มันจริงจรงจังๆนั่นนะเคยพุทโธได้ทั้งวันไหมมีใครเคยลองพุทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี่จะพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยทำไมทําไม่ได้ทําไมคิดได้ทั้งวันนะทำไมคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดได้ทั้งวันทั้งคืน คิดจะนอนไม่หลับกันก็ยังคิดได้แต่พอให้คิดจะคำว่าพุทโธคำเดียวกลับคิดไม่ได้ถ้าคิดอยู่กับพุทโธคําเดียวได้มันจะสุขมากมันจะมีความสงบมีความสบายกลับไม่คิดชอบคิดแล้วทําให้ใจหนักอกหนักใจกันชอบคิดเรื่องที่ทําให้หนักอกหนักใจกันคิดถึงคนนั้นก็หนักอกหนักใจครับคิดถึงเรื่องนั้นก็หนักอกหนักใจกับเรื่องนั้น เรื่องที่ไม่ไม่หนักอกหนักใจไม่ชอบคิดกันลองคิดอยู่กับพุทธโธดีใจจะเบาเลยใจจะสบายใจจะว่างจะเย็นไม่ร้อนชอบคิดถึงเรื่องที่ทําให้ร้อนคิดถึงราบยศสารเสรรือเนี่ยร้อนขึ้นมาเนี่ยวันนี้วันวันหวยออกอันนี้เดี๋ยวก็ร้อนกันแล้วเนี่ยช่วงบ่ายๆกันจ้องกันดูว่าวันนี้จะได้จะถูกรึเปล่าเนย กระวนกะวายก็สับก็สายแล้วถ้าดีใจก็ก็โลดเต้นกันถ้าเสียใจถ้าถ้าไม่ได้ก็เสียใจกันเศร้ากันเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวเองให้คิดถึงพูทโธไม่คิดกันชอบคิดถึงลาบกันตอนนี้กำลังใจจดจ่ออยู่กับตัวเลขสองตัว จะออกมาเป็นอะไรเนาะจะถูกหรือเปล่าพอถูกก็ดีใจตื่นเต้นใจก็ตื่นเต้นอีกใจก็ไม่สงบอีกเวลาไม่ถูกก็เสียใจอเศร้าอีกไม่ดีความสุขปลอมดีใจก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวงวดหน้ก็มาตื่นเต้นใหม่มามาลุ้นใหม่มาแทงใหม่แล อย่าไปหาความสุขแบบนี้เลยเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาที่เราไม่สามารถหามันได้ต่อไปมันต้องร่างกายมันจะต้องหมดสภาพมันจะไม่สามารถทำตามคำสั่งตามความอยากของเราได้ตอนนั้นก็มีแต่ความทุกข์รอความตายทุกข์กันไปบางคนรอไม่ไหวค่าตัวตายก่อนเพราะมันทรมาน แต่ถ้ามีพุโทโธไม่ต้องฆ่าตัวตายตายสบายร่างกายไม่สบายก็เรื่องของร่างกายไปเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อยู่กับความตายได้เองตั้งใจทักวันไม่ได้นะวันนี้จะพุโทโธทั้งวันไม่ไปคิดเรื่ององื่นเอาพุโทโธอย่างเดียวลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเรื่อย อาบน้ำอาบท้าล้างหน้าแปลงควันกบพุทโธพุทโธไปหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธพุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวพอทำเสร็จไม่ต้องใช้ความคิดก็พุทโธใหม่ลองให้มีพุทโธเป็นเพื่อนเป็นคู่คิดไปสักวันไม่ได้เลย เราจะเห็นความแตกต่างขึ้นมาในจิตใจเลยจิตใจจะว่างจะเย็นจะเบาจะสบายจะไม่หนักอกหนักใจจะไม่เครียดจะไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อนกับอะไรใครจะทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนใครจะพูดอะไรก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจมีพุโทโธอยู่ในใจ ถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่ลองทำก็ไม่รู้มันยากตรงไหนคำว่าพุโทโธคำเดียวเนี่ยคิดมันไปเรื่อยๆไม่ไม่ได้เลยพุโทโธพุธโทโธไปทำไมเราคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่พอให้มาคิดพุโทโธคิดไม่ได้มันยากตรงไหนเด็กมันยังคิดได้เลยพุโทโธพุธโทโธเลยเพียงแต่ว่ามันคิดไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองถ้าเราคิดได้อย่างต่อเนื่อง เราจะควบคุมความคิดอย่างอื่นได้ความคิดที่ทำให้เราร้อนความคิดที่ทำให้เราทุกข์ความคิดที่ทำให้เราอยากมันจะถูกพุทโธกันเอาไว้มันไม่หายมันไม่ตายแต่อย่างน้อยพุทโธจะกันมันไว้ไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาถ้าจะให้มันหายขาดนี้มันต้องใช้ปัญญาถึงจะหายขาดความอยากต่างๆนี้มันจะหายขาดได้ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนว่า ไปหาความทุกข์นะ ถ, ถ้าไปทำตามความอยากนี่ไปหาความทุกขนะ์เช่นอยู่คนเดียวเนี่ยอยากจะมีครอบครัวอยากจะมีแฟนอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยากจะมีลูกเนี่ยมันดีหรือเปล่ามีพระมีสามีมีภรรยามีลูกก็มันดีหรือเปล่ามันทุกข์หรือมันสุขถามคนที่ก็มีสามีภรรยาดูก็ได้ก่อนที่จะจะไปมีถามว่า มีสามีมีภรรยาแล้วทุกมือไม่ทุก <ung> ทุกกับสามีทุกกับภรรยาหรือเปล่ามีลูกทุกกับลูกหรือเปล่า <ung> ถามกาก่อนก็ได้ถามคนที่ก็มีประสบะการณ์ <ung> <ung> แต่คนสรรพคนมีประสบะการณ์ก็ชอบชอบหลอกให้คนทําตามเขาครูโง่แล้วคนอื่นก็ต้องโง่าตามคูด้วยเ <ung> ห็นไหม <ung> พ่อแม่มีมีสามีมีภรรยามีลูกทุกกับสามีทุกกับภรรยาทุกกับลูก ก็บังคับให้ลูกไปมีสามีมีภรรยามีครอบครัวทั้งที่รู้ว่ามีแล้วจะทุกข์ก็ยังอยากจะให้เขามีครอบครัวกันเพราะว่ามองอีกด้านหนึ่งมองด้านสุขว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขจะมีคนดูแลกันช่วยเหลือกันแต่ไม่ได้มองว่าจะมีคนมาทะเลาะกันมีคนที่จะมาทำให้ต้องกังวลกัน ต้องห่วงใยกันถ้าได้คนดีมา<ส>ก็ห่วงเขาห่วงเขาถ้าได้คนไม่ดีมาก็ทุกข์กับต้องอยู่กับเขาอยู่กับคนไม่ดีเมีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้นอยู่คนเดียวไม่มีทุกข์ไม่เอากันถ้าไม่มีสามีจะมีความทุกข์กับสามีไหถ้าไม่มีภรรยาจะมีความทุกข์กับภรรยาไหมไม่มีหรมันไม่มีอะไรจะทุกข์ มันเป็นพวกที่เขาเรียกว่าออยู่ไม่เป็นสุขชอบแกวงเท้าไปหาเซียนอยู่ที่เฉยสบายสบายไม่เอาชอบแกวงเท้าไปเตะเซียนกันไปเตะเซียนเตะน้นแล้วเป็นไงเจ็บนะไปมีลูกมีเต้ามีสามีมีภรรยาแล้วเป็นไงสุขแล้วทุกข์กันเห็นมาบนน่ยเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกให้ฟังอยู่เรื่อย คำถาม่าถามแต่เรื่องสามีภรรยายกับลูกลูกเป็นอย่างนี้จะทำยังไงเมื่วานนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับลูกทุ ก, กันทั้งบ้านทุ ก, พกเพราะลูกพราทำตัวไม่ดีทำให้เสียชื่อเสียชื่อเสียงของครอบครัวทุกคนทุกไปหมดเลยถ้าไม่มีลูกก็ไม่มีทุกใช่ ของง่ายๆเห็นชัดๆก็ยังไม่เห็นกันมนรุ่นเราเนี่ยฉลาดหรือง้อกันไม่เห็นทุกข์เห็นเห็นสุขในทุกข์กันแทนที่จะเห็นว่าทุกข์กับเห็นว่ามันสุขกันเห็นว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขกันเยพ่อแม่เป็นห่วงลูกแล้วกันลูกคนไหนไม่มีครอบครัวนี่เป็นห่วงอยากจะให้ลูกมีครอบครัวลูกจะได้มีความสุข แต่ไม่เห็นเวลาที่เขาทะเลาะกันเนียเวลาเขาแต่งงานกันแล้วก็ไม่อยู่อยู่กับเราเขาไปอยู่ด้วยกันเวลาเขาทุบตีกันเป็นกระสอบทรายกันไม่เห็นกันเนี่ยพวกเราของง่ายๆของชัดๆนี่กลับมองไม่เห็นเนี่ยของที่เป็นทุกข์กลับไปเห็นว่ามันเป็นสุขกันมันเลยทุกข์กันทั้งโลกลองไปที่ไหนดูประเทศไหนก็ได้ ประเทศระดับมหาอำนาจมีเงินทองร้อยล้านพันล้านถามเข า, าทุกหรือเปล่ามีทุกกันทุกคนประธานาธิบดีพระราชามหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีนายพันนายพันนายหมื่นนายแสนลองไปถามว่ามีทุกไหมมีกันทุกคนคนที่ไม่ทุกไม่ไปถามไปถามพระพุทธเจ้ามีทุกไหมพระพุทธเจ้าไม่ทุก พระอรหันตุกไหมไม่ทุกเนยเพราะท่านไม่มีอะไรนะลองเปรียบเทียบดูพระพุทธเจ้ามีอะไรไม่มีอะไรมีแค่บาทใบหนึ่งมีไว้สําหรับขอทานมีไว้สําหรับบิณฑบาตมีจีวรไว้สวมใส่มีผ้าจีวรหนึ่งสำหรับผ้าตายหนึ่งชุดมีเท่า น, นั้นสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่มีความทุกข์ แต่พวกที่มีสมบัติกองเทัพภูเขาถางว่าทุกไหอย่างเงินทองที่คุณมีอยู่เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านนี่คุณจะไปทําอะไรคิดหรือเปล่าเดี๋ยววันที่คุณจะตายเนี่ยเงินทองพวกนี้มันจะเป็นของใครไป <Yes. S 1> คุณเอาไปได้หรือเปล่า uh huh. แล้วทำไมยังอยากจะได้อยู่ขนาดมีร้อยล้านพันล้านใช้ไม่หมดใช้เป็นอีกสิบชาติก็ใช้ไม่หมดก็ยังอยากได้ยงเ uh huh. ไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ เห็นว่ามันสุขกันแต่เวลานอนนี่นอนแบบก้ารเลขอะไรเอาเท้าตีนตีกายหน้าผากนอนไม่หลับนอนแล้วก็คิดถึงตัวเลขเียบวกลบคูณหารอยู่กับตัวเลขนนเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์แต่เราก็โง่กันไม่ฉลาดกัน เราก็ไปเห็นว่ามันเป็นสุขกันเห็นลาบยกจัละเสริมสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าสุขกันแล้วหากันใหญ่แย่งกันหาใหญ่แล้วก็มาทุกข์กันมาล่องห่มล่องไห้ากันมาเศร้าโศกเสียใจกันเออชื่อพระพุทธเจ้าสิอันนี้คือปัญญาถ้าอยากจะดับความทุกข์ ดับความอยากต่างๆนี่ต้องดับด้วยปัญญานะเพราะความอยากมันเกิดจากความหลงไปเห็นสิ่งที่ทุกข์ก็ไปเป็นสุขเราต้องเอาปัญญามาบอกว่าสิ่งนี้เป็นทุกขนะ์ไม่ใช่สุขทุกข์เป็นทุกข์สุขก็มีแต่สุขไม่ได้มีในสิ่งต่างๆในโลกนี้สุขมีอยู่ที่เดียวเท่าั้นะคือสุขใจนะถ้าอยากจะหาความสุขต้องมาหาความสุขใจกันมาทําใจให้สงบกันมาหยุดความอยากกัน เราจะพบกับความสุขใจถ้าไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญอยากรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ไปหาความทุกข์กันไม่ใช่เป็นความสุขกันถ้าเป็นความสุขแล้วทําไมาคนที่มีลาบยศสารเสริญจึงทุกข์กันได้แต่คนที่ไม่มีลาบยศสารเสริญสุขกับไม่ทุกข์กันี่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่มีลาบยศสารเสริญ ไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านจึงไม่ทุกข์ท่านมีแต่ความสุขในใจที่เรียกว่าบารมณ์สุขนิพพานังบรารมังสุขขังเออคือสุขแท้พวกเราเห็นกับตาละปัดกันเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสุขว่าเป็นทุกข์กลัวกันเหลือเกินเวลาให้นั่งสมาธิเวลาให้พุโทโธพุโทโธนี่ไม่อยากเข้าหาเลยไม่อยากเข้าใกล้เลย เคยนั่งสมาธิกันบ้างไหมมาฟังเทศฟังธรรมกันอย่างนี้เคยไปนั่งสมาธิกันหรือเปล่านั่งบ่อยหรือเปล่าหรือนั่งพอหอมปากหอมคอถ้ามันเป็นสุขจริงมันต้องนั่งบ่อยๆไม่ทำอย่างอื่นไม่ไปนั่งดูทีวีไม่ไปนั่งเล่นไพ่ไม่นั่งไปนั่งกินเหล้าไปนั่งไปกินไปดื่มไปทำอะไรกันเรามานั่งสมาธิกัน ถ้ารู้ว่าความสุขจริงอยู่ตรงนี้ก็ต้องมานั่งสมาธิกันถ้ารู้ว่าความสุขปลอมอยู่ที่การไปนั่งดูหนังฟังเพลงก็อยากไปนั่งมันแต่มันไม่รู้เลยมันเกียงหลงอยู่ยังคิดว่ามันสุขอยู่แล้ามันก็ต้องมาทุกข์ต่อไปนี้คือเรื่องของความสุขของความทุกข์ พวกเราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไม่ได้มาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้พิสูจน์แล้วท่านได้ค้นพบความสุขจริงแล้วเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบ แ, แล้วท่านก็พบความจริงแล้วว่าลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายนี้มันเป็นความทุกข์กะมันเป็นความสุขชั่วคราว พอเวลาไม่มีมันก็ทุกเวลามีก็ทุกกลัวมันจะหมดเพียงแต่คิดว่ามันจะหมดก็ทุกแล้วทั้งๆที่มันยังไม่หมดนะแล้วเวลามันหมดจริงๆยิ่งทุกข์ใหญ่ฉั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้ากันแล้วมาทำใจให้สงบกันดีกว่ามาฝึกกรรมฐานกันฝึกสติกันใช้กรรมฐานสี่สิบฐานใดฐานหนึ่งเป็นเป็นที่หยุดความคิดกัน ใช้พุทธโธก็ได้ทำโมก็ได้สังโฆก็ได้ใช้ความตายก็ได้วาณานุสติใช้ร่างกายก็ได้ดูร่างกายไปอยู่เรื ي, <ๆ>่อยๆเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายเรียกว่ากายยกตาสติน <Yeah. S 1> แล้วใจเราจะเบาใจจะนิ่งแล้วเวลานั่งเฉยๆก็ใช้ลมหายใจเป็นที่ตั้งของสติ mm. ดูลมหายใจไปหรือใช้พุทธานุสติบริกรรมพุทธโธไป อย่าหยุดจนกาจิตมันจะนิ่งสงบแล้วมันจะหยุดเองแล้วเราจะพบกับความสุขชั่วคราวออกจากสมาธิมาถ้าเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาเพราะว่าสอนใจว่าอย่าไปทำอย่าไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความสุขปลอมความสุขตามต า, มตามหูจมูกเิ่นกายความสุขจากลาบยศสรรเสริญเป็นความสุขปลอมมันเป็นความทุกข์เพราะมันต้องหมดเวลาหมดมัน ความสุขหมดความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีเอให้คิดด้วยปัญญาแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปอยากได้อะไรไม่ไปอยากมีอะไรไม่ไปอยากดูอยากฟังหมดไปนั่งสมาธิดีกว่าไปทําใจให้สงบดีกว่าอันนี้ก็ขอให้ท่านลองเอาไปพิจิรพิจญากันดูดูให้เห็นว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขกันแน่ ดูว่าวิธีที่จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเอาไปปฏิบัติเกิดอยากจะมีความสุขก็ต้องมีสติหยุดความคิดต่างๆแล้วก็มีปัญญาหยุดความอยากต่างๆแล้วต่อไปใจเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรต่อไปจะมีแต่ความสุขไปเพียงอย่างเดียวไม่มีวันสิ้นสุดนถึงแม้ร่างกายนี้จะตายไปแล้วใจก็ยังมีความสุขต่อไป และไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์กับการมีร่างกายอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะอนุมโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปุราปาริปุเรติสากลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกา ป, ปติ อิชตังปฏทิตังตุลหังคิดมะเมวาสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปัญญาระโสยถาเมณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อภิวาทนสศบิทสะนิจังวุธาปจายิโนจตารุธรมมวะทานติอายุวนันโอสุขังภาลาังกลับมาเหลอไม่มีคำถามอะไรเลยวันนี้จบเรียนมาครับจบเรียนคุณรมาธิมาใช่เรียนที่ไหน วัดธรรมคับเขาเรียนเขาสรียนสอนสาวทย์ไม่ใช่แล้วมันมีจารเรียนสุขการาสาวทีต่างจุอการเรยสุขนี่เรียนสิทั้งวันเลยเหรอ่ะหกมงเรืองสองทุ่มครับอาจารย์อ๋อถ้าเรียนวันธรรมดาแค่วันละสองชั่วโมง ภาษาที่ท uh, yeah. uh, ั uh, ้งวันเลยก็เร uh, um, um, okay. yeah. yeah. uh, so ียนทุกที่ขึ้นชั่วโมงแล้วก็บัตขึ้นชั่วโมงเรียนเทหลพ่อขึ้นชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติเดอนชมพงขึ้นชั่วโมงแล้วนั่งขึ้นชั่วโมงครับอ้วดีหมก็ละเอียดขึ้นนะครับหยุดค้างคิดได้ไแต่เรื่อยๆนะแล้วหลักสูตรยาวกี่กี่อาทิตย์อ่ะ6เดือนครับ6เดือนนะเหมือนการทั้งเสาอาทิตย์ทั้งวันอ่ เลือกเอาได้สองแล้วก็ไปเรียนแต่ละสาขามันสองร้อยกว่าสาขาแล้วแล้ต้องขึ้นดอยทุกคนรึเปล่าใช่ครับนช่วงถึงทั้งสิ้นปนี้ไปท่องกันหมดเลยนะอ่าไปรุ่นสี่สิบจะไปทันวาครับแล้วรุ่นสี่สิบเ็จะไปน่าจะน่าจะมีนาอ่ามีหลายมีหลายช่วงเลยจะไปปีละปีปหนึ่งเข้าขึ้นดอยกันกี่กี่ช่วงอ่ะสองช่วงเนี่ยสองช่วงมาสองช่วงอ ช่วงก็ก็หลายพันคนครับท่านมาก็มีนะท่านวาก็หนาวนะครับอืมลอยแคนั้ยนจะรุ่นรุ่นผมจะเจอเป็นรุ่นสี่เรืยาวจะมีนาอ่าแล้วพวกแคมป์นี่เขาไปจัดตั้งให้เราเนี่ยก็ตั้งเต็นท์นอนกันอยู่กลางกลางป่าอย่างเงี้ยครับเราต้องแบกไปเองหรือเปล่าไม่ไมฮะก็มีเขาไปจัดการนะฮะเขาน้ำล่องท่าก็มีครับผมพอต้นจัดการเรียบร้อย อหลายรุ่นเลยครับอดีต้องมีทุดงบ้างทาแล้วก็เอาไปคลาสทุดงมายในป่าัเอพราะมันขึ้นไปตั้งหลายหลายดอยครับต้องเดินขึ้นไปด้วยใช่มครับเดินตามถนนหรือเปล่าก็ในป่าอย่างเงี้ยครับเดินรอบแบบเนี้ยครับไม่ทางเดินในป่าขับมันก็คงจะมีเพราะว่ามันคงเตียนแล้วครับตั้งแต่ปีสี่สิบนะครับถ้าอยเตียนแล้วสมัยก่อนแล้วนะเดินป่าเลย เดินกันับเดินดยขึ้นไปไม่เดินตามถนนอ่ะก็เดินเนี่ยเราเลาขึ้นไปก็คนเป็นผ่านคนนะครับอปล่อยให้เดินกันะตามทิศทาศัยไม่ต้องไม่ต้องเป็นแนวเป็นแถวอะไรก็เดินเข้าแถวไปเรื่อยๆครับเดินแถวเป็นเป็นเหมือนมือมูเลยที่ผมเห็นในวิดีโอครับผมก็ยังไม่เคยไปเลแต่หลวงพ่อแล้วก็เดินขึ้นหนกันหลวงพ่อยังเดินไหวนะเก้าสิบแปดแล้วครับเก่งไง มันเคยปฏิบัติทั้งตลอดเวลามันก็ติดเป็นนิสัยเคยทำอยู่เป็นประจำมันก็ไม่ยาก ค, คนที่ไม่เคยประจำเยียโอ้โหไปเดินแล้วไม่หวตายโหดเลโหดร้ายจะไปก็ไปนะไม่เป็นไรบางทีไม่เคยขึ้นมาก็เห็น อ, อยู่ใน y o u t u ู e อยู่เคยเจอในยู u ูบอยูบอยู่ตรงไหนก็เลยถ า, ามข้างล่าง พอมาได้ข้างล่างอือพ่อไล้อยู่ตรงไหนอ่าก็เลยได้วันนี้ได้มีโอกาสนะทำลองคือไม่ต้งแด็เที้ยงเราอ่าเราทางานนั่งสบายที่อยู่ครับก็นั่งมั่งไปเรื่มมั่งไปวนพระจารย์อยู่คนยังเงียบดีไหมวันนี้อือดีครับเงียบดีนะอ่ามีโอกาสก็อาจจะมาอีกอ่ได้ไปเดี๋ยวต้องไปเรียนเย็นนี้เลยผมไม่ทันแล้วครับ ไม่ทันนะไม่ทันเลยสามชั่วโมงไม่ทันนะครับสองชั่วโมงก็ถึงนะที่นี้ในเมืองนี้หาสารรถติดยี่ชานเมืองเนี่ยห่งใบนี้ก็ถึงนะถึงสามชั่วโมงนี้ได้พยายามครับไปซตสายหลังเนี่ยไปสายสามสามหนึ่งออกไปอย่าไปทางสุขุมวิทนี่ะออกไปแล้วถามยามว่าสามสามหนึ่งไปทางไหนก็จะบอกออกจากประตูนี้ตรงไปเลย รถมันจะมันจะโค้งขวาออกไปประมาณสักสองกิโลก็จะเจอ3 3เสามสามหนึ่งเลี้ยวซ้ายวิ่งไปเนี่ยไปประมาณสักสิบกว่ากิโลก็จะไปเข้าทางด่วนโมอเตอร์เวย์เอเี่ย เ, นะเร็วไม่ต้องผ่านถ้าไปพัทยาผ่านไฟแดงสิบกว่าไฟ แ, <ล>แ<ส>ดงเสร็จเลยอ่าเนี่ยเราเคยนั่งเคยจับเวลาจากที่นี่ไปชนบุรีแค่ชั่วโมงเดียวแต่มันมันนานมันแล้วนะเดี๋ยวนี้รถมันยังเร็วอยู่นะ สงชัวโมงน่าจะถึงนะยั ง, ยยงว่าทำมงคลนี่มันอยู่ชาญเมืองอยู่แถวบางนาอ่สบายเลยคิดว่าไม่มีปัญหาเลยไปขึ้นทางด่วนในบางนาตาดเน่ยนะเนะส้ น, นั้นก็ไปลงได้โอ้ทันถ้าจะไปนี่จะอ้างว่าไม่ทันเลยไม่ดี้าไปส่งของอีกอ่ะจะไปจริงๆทนัสท<า>นสามชั่วโมงแต่ว่าไม่เป็นไรเดียเรียนซ่อมเมาอมีซ่อมมีซ่อมมีซ่อมเรียนเฉยเฉยได้มีเฉย พยายามเรียนให้จบนะครับอ่ะจะได้มีหลักมีเกณฑ์จะได้ปฏิบัติถูกแนวทางต้ะงการรายละเอียดปฏิบัติมันต้องมีครูสอนมีรู้จักแนวทางถ้าปฏิบัติเองปฏิบัติซีซั้วมันก็เดี๋ยวก็เป็นบ้าได้ครับที่เป็นบ้ากันก็ปฏิบัติแบบตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเห็น อ, อะไรก็ว่าเป็นนิพพา น, น, นไปแล้วัะครบออ ไ, ไล่ไปเรืนะ่อยๆใช่ ไปไม่ทันมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะไม่คิดราคาไม่คิดตัง <laughs> ก็เหมือนกับกินกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้กับกินข้าวต้มร้านนั้นมันแตกต่างกันนะต่างตรงไหนอ่ะมันกินแล้วมันอิ่มเหมือนกันไหมอ่าได้เลแต่รสชาติต่างกันอ่าใช่แต่มันก็อิ่มเหมือนกันใช่ไหมอ่านั่นแหละทําบุญก็เพื่อให้ใจเราอิ่มทํากับพระอริยะก็อิ่มทํากับเด็กยากจนก็อิ่มอถ้าถ้าจะทำเพื่อเราเอาความอิ่มใจก็ทํากับใครก็ได้ แต่ถ้าอยากจะได้ของแถมนี่ต้องไปเลือกคนที่เราไปทำแล้วก็มีรายแถมให้เราถ้าทำกับเด็กยากจนเขาไม่มีรายแถมให้เราถ้าไปทำบุญกับพระอริยะก็มีธรรมะแถมให้เราถ้าเราอยากจะได้ของแถมเราก็ต้องไปเลือกทำกับคนที่เขามีของแถมเหมือนปั๊มน้ามันใช่ไหมบางปั๊มก็มีของแจกใช่ของแถมเนี่ยบางปั๊มก็มีแต่น้ำมันอย่างเดียว ถ้าเราอยากจะได้ของแถมเราก็ต้องไปดูว่าปั๊มไหนแถมอะไรแจกอะไรเขาแจกเขาแจกยาซีฟันล้วก็อยากจะได้ยาซีฟันเราก็ต้องไปเติมปั๊มที่เขาแจกยาซีฟันอันนี้คือต่างกันตรงนี้ต่างกันที่ของแถมทำบุญนี้จะได้สองสองเด้งพูดยังไงถ้าทำกับที่เขาไม่มีของแถมก็ได้เด้งเดียวถ้าไปทำกับที่ที่เขามีของแถมก็ได้สองเด้ง แล้วของแถมนี่ก็มีหลายระดับนีระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาเนี่ยตอถึงบอกว่าทําบุญกับพระที่มีศีลก็ได้หนึ่งเท่าทําบุญกับพระที่มีสมาธิก็ได้ร้อยเท่าทําบุญกับพระที่มีปัญญาก็ได้แสนเท่ า, า, า, า, 1, ท, าทําบุญกับพระอริยะก็ได้ล้านเท่าทําบุญกับพระพุทธเจาก็ได้พันล้านเท่าเพราะท่านมีธรรมะให้ไม่เท่ากันอันนี้คือของแถม แต่ถ้าต้องการน้ำมันเหมือนเติมน้ำมันรถนี่เติมปั๊มไหนก็เหมือนกันตาดาวตาเสือตาอะไรเติมมันก็ได้น้ำมันทำให้รถวิ่งได้เหมือนกันกินอาหารกินร้านไหนกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันแต่จะไม่ได้ของแถมถ้าอยากจะได้ของแถมต้องไปต้องเลือกที่ที่เขามีของแถมให้ในคนที่เขาเลือกทาบุญกับพระอริยะเขา ก, ก็อยากจะได้ของแถมด้วยเขาได้บุญแล้วเขายังอยากจะได้ของแถม แย่าว่า น, นี่มาทำบุญที่เนี่ยก็ได้ทำหน้ากลับไปเนะไ ด, ได้ได้ตอบคําถามแล้วเนะี่ยหายสงสัยไปข้อหนึ่งล้ะต่อไปแล้ว ร, รู้แล้วว่าทําบุญแล้วทําที่ไหนดีไม่ดีได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเนะมื่อก่อนไม่รู้เคยอาย่านว่าทําบุญกับพระอนุญว่าจะได้บุญออะก็เลยอยากดูเห็นผลว่าทำไมมันถึงจะได้บุญนี่เข้าใจไหมบุญสองต่อทำหน้านี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งการได้ฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญ นะเป็นบุญที่ได้มากกว่าจากบุญที่เราได้จากการทาบุญทาทานธรรมะในปัญญาคือปัญญาทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมทำให้เราดับความทุกข์ภายในใจเราได mm hmm. นะ้เข้าใจแล้วนะ mm hmm. มีอีกไหม mm hmm. อยเค็ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวมีค่อยถามก็ได้ mm hmm. มีอะไรหรือเปล่า ไม่มีครับเอ่าคิดว่ามีจะถามอะไรจะมาขอหนังสือไปแจกเพื่อนกัน layan นะครับไม่ได้หรอท้านท่านจะขอต้องขอไปสำเพอตัวเองถ้าเอาไปแจกมไ ม, ไม่ไม่พอแจกเดี๋ยวทุกคนมาขอไปแจกก็จะไม่พอแจกที่นี้<ะ>ถ้าเขาฝากมาขอเนี่ได้อยู่แต่ถ้าก็ไม่ได้ขอแล้วเราเอาไปแจกเขานี่มันเราไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้หรือไม่ได้เอาไปแล้วมันกลัวจะเสียเปล่าๆบางทีก็ เขาไม่ต้องการแต่เร า, เาไปแจกเขาเขาก็รับไว้แล้วเขาก็ไม่เอาไปอ่านเพราะก็ไม่สนใจแต่ถ้าเขามาถ้าเขาฝากบอกว่ามาที่นี่มีหนังสือแจกช่วยเอาไปด้วยก็เอาไปได้แต่ต้องเอาไปพอประมาณเพราะว่าเรามีไม่พอที่จะให้เอาไปแจกทั่วไปสักสีเล่ม น, นั่นน่ะสิเขาขอมาหรือยังอ่ะไปใสาบาเด้วยกันทุกเชา้าอ่าเราไปแจกเขานั่นน่ะสิ ตามใจไม่ใช่ปล่อยสี่เล่ ม, มนึงทำ่มต้องมาเรียกยางให้เขาขอมาดีกว่านะถ้าเขาไม่ขออย่าไปจจกเลยเพราะไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้หรือเปล่ากลัวจะเสียของไม่ใช่เลยแล้วคนที่เขาอยากจะได้เขาจะไม่ได้เอาไปให้คนที่เขาไม่อยากได้ คือถ้าจะเอาไปอ่านนี่ไม่หวงอะยินดีแต่เอาไปแจกนี่ไม่ค่อยจะอยากจะให้ไปเพราะกลัวว่าปลายแจกแล้วคนรับก็ไม่อยากได้แต่เขาก็รับแล้วก็ไปวางไว้ไเฉยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกคนมาจะของก็เอาไปฝากกันก็ เ, เอาไปฝากกัน ค, คนที่มานี่บางทีไม่มีให้ไม่มีแจกให้เขาก็คนเอาไปฝากเอาไปแจกคนอื่งมืนก่อนที่เขามาก็ตั้งใจมาจะมาเอาหนังสือเขาก็จะไม่ได้ อ่าได้เท่ า, าทนี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้มีสามารถดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงอ่าดีไปยานอนหลับเลย <c oughs> ไม่ต้องเสียเงินเสียยานอนหลับเนะย <c oughs> อ่าทำไมเอามากลับมาคืนเนะ่ย เมื่อกี้คุณพ่อเลยฮะเดี๋ยวไปไบอกไว้จบแล้วแล้วก็ได้อ่านอก็ได้ไม well. hey, right. right. ่ได้หวงนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเใครมาก็อย่างนี้ถ้าใครมาขอแจกถ้าคมาเราก็ไม่ได้อะไรติดมาตันก็ไปหาเพื่อศึกษาเพื่อกษรศสตร์เข้ได้ลูกชายเลยนะ ได้แต่รู้ของพี่ชายพี่ชายก็ทํางานเขเลยม่ได้มาเพราะฉะนั้นเป็นภรรยาเขาไงใช่ครับพี่สบายครา บ, บพระพูดพระธรรมพระสงค์ไงกราบทีก็ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งที่สองให้นึกถึงพระธรรมคำสอนนึกถึงพระสงฆ์สาวกนะที่เรากราบเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเรากราบใครนะเราไม่ได้กราบหนึ่งสองสามอย่างดวงตาบอกนะ เรากลาวพระพุทธเจ้ากล่าวพระธรรมคาสอนกล่าบพระสงฆ์สาวกแล้วเราจะได้นรลกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมคำสอนเป็นอะไรพระสงฆ์เป็นอะไรเราจะได้ความรู้ได้ปัญญาขึ้นมานะวันนี้นั่งฟังเทศเข้าใจเหมไม่ไมาดูเรื่องเลย นั่งแล้วก็คิดถึงว่าเมื่อไหรจะเสร็จจะทีจะได้กลับบ้านเนะนี่ยแล้วแบบพูดตามตรงเลยวันนี้ได้ยินนะาได้ฟังอะไรบ้างอะไรเป็นทุกข์รู้เอย่ า, ยกกาอา่อใช่ได้จำไว้นะ อย่าไปมีนะความสุขที่มีนั้วหมดไปเกมความสุขหมดไปเวลาหมดไม่ไม่มีเกมเล่นแล้วสุขแต่ถ้าไม่เล่นมันก็ไม่ไม่เดือดร้อนใช่ไหมถ้าไม่เคยเล่นมาก่อนมันก็ไม่เดือดร้อนมีเกมเล่นหรือไม่มีเกมเล่นก็ไม่เดือดร้อนก็ไม่ติดนะอย่าไปติดเล่นแล้วอย่าติดติดแล้วเวลาไม่มีเล่นจะทุกข์ใช่ไหมจำไว้นะไะ เด็ช่วงนี้อันตรายนะอายุตอนนี้ถ้าไม่คอยอบรมสั่งสอนไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยเดี๋ยวถูกกระแสของทางโลกพาไปอบรมเหนี <c oughs> ่ยวป่ะเนเหนี่ยวั้คนอบรมทั้งอบรมสมัคสมองทั้ง <c oughs> คู่ <c oughs> ก็ต้องพยายามพยายามดึงให้เข้าเข้าหาสิ่งที่ดีอถ้าปล่อยเข้าไปเลยก็จะถูกสิ่งที่ไม่ดีดูดไปย คนเป็นแมก็ไม่จ่ยั ง, งไงดีแม่ก็ต้องสอนแล้วก็ต้องปล่อยวางได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น <c oughs> อย่าไปทุกข์กับเขามากเกินเกินไปถ้าเราทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วก็ถือว่าเราก็ได้ได้แค่นี้ช่วยเขาได้เท่านี้ <c oughs> ถ้าเขายัางจะต้องไปเป็นอะไรก็เป็นเป็นเรื่องของเขาเอง <c oughs> เขาอยากจะดิ้นออกไปหาทุกข์ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ พอเราผูกมัดจับมัดเขาอยู่ในบ้านตลอด24ชั่วโมงไม่ไดนะ้เขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาเราเพียงแต่บอกทางเดินให้เขาว่าเดินทางนี้นจะปลอดภัยเดินทางนี้แล้วจะมีแต่ภัยนะเ<ม>ขาจะเลือกทางเดินอย่างไรก็ต้องเป็นของเขาแล้วล่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะเดินไปกับเขาได้ตลอดเวลาเ<ม>ขาต้องทําใจถ้าเกิดเขาไปในทางที่ไม่ดีเสียใจก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันดีขึ้น เตรียมตัวเตรียมใจไว้เผื่อไว้แต่ถ้าเขาไปทางดีกันเราก็สบายใจคงไม่คงไม่ร้ายกาศอะไรหรอกเนี่ยแค่นี้นะเอาแค่นี้ก่อนนะทางบ้านมีคำถามไหมเอาี้ยังมีคำถามอยู่เลย อ่าเพียวนนไม่าแต่ตอนฟังในยูทูปเนี่ยจะชอบกิก็ <c oughs> ขเขียนส่งคำถามมาได้ถ้าดูสดเนี่ยถ้าถ่ายสอบ ส, สดนี่ส่งคำถามเข้า ม, มาได้ควสกมถามแรกจากทาง youtube ครับจากคุณเปลาครับพุทโทต้องอยู่ในตัวเราหรือนอกตัวเราครับอยู่ในใจเราสิอยู่ในการระลึกรู้ของเรา พุทโธพุทโธไปท่องไปในใจแล้วเหมือนกับเราคิดเราคิดเวลาเราคิดเราคิดในใจคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ได้ก็คิดพุทโธพุทโธไปฮะอยู่ในความคิดของเราคําถามต่อไปแต่คุณฟิลครับการนั่งสวดมนต์ถือเป็นการกระทําสมาธิใช่ไหมครับและถ้าใช่นั่นหมายถึงเรานั่งสวดมนต์ภาวนาแบบสวดไปเรื่อยๆก็ทําให้เข้าสมาธิได้ใช่ไหมครับ และจะทำให้ได้ปัญญาพิจารณาต่อไปได้หรือไม่ครับสวดมนต์นี่มันจะได้แต่มันไม่ลึกเหมือนกับการเพ่งดูลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวมันเหมาะกับเวลาที่ใจเราฟุ้งซ่านคิดมากเราก็ใช้การสวดมนต์ะระงับความฟุ้งซ่านไปก่อนพอหายฟุ้งซ่านแล้วก็ลองใช้พุโทโธคำเดียวหรือดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วจิตมันจะรวมเป็นสมาธิได้ แล้วเวลาได้สมาธิแล้วจิตก็จะมีกำลังที่จะไปทางปัญญาได้ก็ต้องออกจากสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยไปทางปัญญาตอนที่อยู่ในสมาธิปล่อยให้มันนิ่ง น, นานๆเพราะเป็นการพักผ่อนของใจเหมือนเวลาที่เราทำงานเนี่ยเวลาเราทำงานเหนื่อยเราก็ต้องกลับมาบ้านมาพักผ่อนหลับนอนมารับประทานอาหารแล้วพอ ตอนเช้าตื่นขึ้นมาเราก็ออกไปทำงานต่อการเจริญปัญญานี้เป็นการทำงานของใจการเข้าสมาธิ น, นี้เป็นการพักผ่อนของใจเราต้องทำสลับกันทำพร้อมกันไม่ได้ไม่ใช่พอเข้าไปในสมาธิปั๊บก็ปลุกดึงออกมาให้พิจารณาปัญญาเหมือนไม่ใช่พอจะนอนหลับปั๊บก็ตั้งนาฬิกาให้ปลุกเลย นอนให้นอนพอหลับปั๊บก็ปลุกขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นไปทำงานมันยังไม่มีกำลังยังไม่ได้พักนต้องให้มันพักจนกระทั่งมันอิ่มตัวแล้วถอนขึ้นมาเองนอนหลับก็นอนให้มันหลับจนกระทั่งมันตื่นขึ้นมาเองแล้วค่อยออกไปทำงานต่อนี่คือหน้าที่ของสมาธิเป็นที่พักของใจเป็นที่ให้กำลังของใจเพื่อที่จะได้ไปเจริญปัญญาได้แต่ปัญญาไม่ได้เกิดจากสมาธิ ปัญญาเกิดจากการค่อยควรปัญญาอย่างที่ได้เทศไว้เมื่อวานนี้ยเกิดได้สามทางขั้นที่หนึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟัง mm. เช่นฟังเทศฟังธรรมนี้ mm. ก็จะได้ปัญญาอันดับแรกแล้วขั้นที่สองก็เอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปพิจารณาค่อยควรอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้ก็จะเป็นปัญญาขั้นที่สองแล้วปัญญาขั้นที่สามก็คือเอาไปใช้หยุดความอยากเราเกิดความอยาก เราก็เอาปัญญาที่เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นทุกข์ไม่ทำตามความอยากดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าถ้าหยุดได้ก็แสดงว่าเราได้ปัญญาขั้นที่สามแต่ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีปัญญาขั้นที่สามขาดกำลังของสมาธิสมาธิมีกำลังยังไม่พอก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิก่อนไปทาใจให้สงบก่อนแล้วก็มาหยุดความอยากให้ได้ คำถามต่อไปจะทาง inbox ครับจากคุณสุภาพรครับระหว่างปฏิภาบนิมิตกับอุคกหะนิมิตต่างกันอย่างไรครัอุกกห์นิมิตก็คือภาพที่ปรากฏมาขึ้นมานี่ก็เรียกอุกกาหะเช่นเห็นภาพอสุภะนี่เรียกว่าเห็นภาพของคนนี่เห็นภาพของคนตายนี่ก็เรียกว่าเป็นอุกกหะนิมิตปฏิภาปก็คือแยกร่างกายของคนตายนี้ให้เป็น ดินน้ำลมไฟไปให้มันเป็นซากศพชนิดต่างๆแขนขาดขาขาดหหัวขาดถูกแรงกามากัดมากินมาอะไรถูกนอนมาแทะมาใช่ยยเรียกว่าปฏิภาคนม่มีคำถามต่อไปจากทางเฟซบุ o กไลฟ์ครับจากคุณบีนาครับ น้ำปลานะต้องทําให้สุกด้วยแดดเท่านั้นใช่ไหมครับน้ำปลาน้ำนี่มันเป็นน้ําผลไม้เนี่ใช่ไหมไม่ต้องสุกอะเพียงแต่ว่ากรองมันให้มันไม่มีเนื้อไม่มีกะให้มีแต่น้ําอย่างเดียวด้านน้าผลไมานี่ก็ต้องไม่ใหญ่กว่ากําปั้นเช่นน้ําแตงโมนี่ไม่ได้น้ํามะพร้าวนี่ไม่ได้มันใหญ่ไหมน้ําสับปะรดนี่ไม่ได้ ต้องเป็นน้ำส้มน้ำองุ่นนี่น้ำว่าน้ำอะไรน้ำผลไม้ที่เป็นผลเล็กๆเกนี่ยต้องเอามาบีบคั้นเอาน้ำออกแยกแยกเนื้อออกจากน้ำกรองด้วยผ้าสองสามชั้นเนี่ยเอาแต่น้ำอย่างเดียวแล้วเก็บข้ามคืนไม่ได้เพราะสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นพอเก็บข้ามคืนแล้วมันจะบูดก็เลยให้ดื่มภายในวันนั้น ตอนที่ยาไปต้มนี่เราไม่รู้นะเราไม่เคยเห็นไม่มีน้ำน้ำปานะต้องต้มนี่เองนะนอกจากเป็นพวกน้ำเก๊้ควยน้ำเก๊กขวยน้ำอะไรน้ำตะูน้ำอพวกนี้อ่ะก็ต้องไปต้มเอาเอาเอาน้ำมันออกมาเอากิ่นมันออกมาเอายาเอาเอานอาตัวตัวของมันออกมาอนั้นก็ต้องเอาไปต้มนำถามต่อไปจากคุณสะอาดครับ ช่วงเวลาที่อยู่วัดปฏิบัติธรรมมีการสวดมนต์ยาวๆออกเสียงดังๆกราบเรียนถามว่าได้ประโยชน์ต่างจากการสวดมนต์อยู่ที่บ้านคนเดียวอย่างไรเจ้าคะไม่ต่างกันหรอกที่ให้ครูเตงเอาออกเสียงดังๆจะได้รู้ว่าคนไหนสวดแล้วไม่สวดเงี้ยบางคนนี้ไปแล้วขี้เกียจสวดก็นั่งงุบงิบงุงบงิบก็เลยต้องบอกให้สวดดังๆกันแค่นี้ทางดิงาการสวดมนต์นี้ไม่ต้องออกเสียงหรอกสวดเพื่อให้จิตสงบไม่ได้สวดเพื่อให้คนอื่นฟัง คำถามต่อไปจากคุณปุ้มปุ้ยครับโยมได้ฝึกแบบที่พระอาจารย์ได้สอนเจ้าค่ะพอปฏิบัติโดยการกําหนดแล้วเกิดความว่างเปล่าเจ้าค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยการกําหนดมันเที่ยงใหม่เจ้าค่ะอันนี้ถ้าเรากําหนดได้เรื่อยๆมันก็เที่ยงความว่างนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาต่อไปจิตเราก็จะว่าง นิพพานังประมังสุญญ์เนี่ยนิพพานนี่เป็นความว่างอันยิ่งใหญ่ความว่างที่ยิ่งใหญ่เกิดว่างตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดคำ ถ, ถามต่อไปากตุลพรทิพาครับคิดอยู่กับพุทโธคือรู้อยู่กับพุทโธหรือรู้อยู่กับกรรมฐานว่าร่างกายกำลังสวดพระพุทธคุณอิทธิปิโสอยู่ เช่นนี้ยมเข้าใจถูกไหมคะโดยไม่ต้องคิดถึงคำแปลไม่ต้องคิดหรอกให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับบทสวดไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นเป้าหมายคือเบี่ยงเบ น, นความคิดของเราที่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์ที่ทําให้เราปวดหัวกัน้มาคิดถึงเรื่องที่มันทําให้เราเย็นให้เราสบายกันคำถามต่อไปจากคุณกัญญาครับมีทุกข์แล้วจะทิ้งไปทำอย่างไรคะ ก็อย่าไปสร้างมันขึ้นมาสิทุกเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวสร้างความทุกข์ก็คือความอยากของเรานี่ถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ดับไปเราก็ต้องหยุดความอยากของเราหยุดให้สิ่งนั้นเป็นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์ก็หยุดความอยากนั้นไปความทุกข์ก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณทานทิพาครับดิฉันมีข้อสงสัยข้อหนึ่งอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เจ้าฝาก คือดิฉันได้ไปปฏิบัติธรรมสำนักหนึ่งค่ะถือสิงแปดค่ะคือทางวัดได้จัดที่พักให้ชายหญิงอยู่รวมกันค่ะดิฉันอยากเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าหญิงชายอยู่รวมกันแล้วอย่างนี้ผิดศีลไหมคะแล้วถ้าเราถือสิงแปดแต่เนื้อต้องตัวผู้ชายไม่ได้ไม่ใช่หรือเจ้าค่ะคือถ้าอยู่รวมกันไม่ไปร่วมหลับนอนกันนั่นก็ไม่ผิดศีลเนอะเพราะศีลข้อที่สามห้ามห้ามร่วมหลับนอนกันห้ามมีเพศสัมพันธ์กัน แต่เขาต้องการที่จะป้องกันให้มันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เขาก็เลยต้องแยกหอกันชายอยู่หอหนึ่งหญิงอยู่หอหนึ่งจะได้ไม่มาอยู่ใกล้กันถ้าอยู่หอเดียวกันเวลานอนหลับไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวคนที่ไม่หลับเขาก็อาจจะย่องไปหาคนนั้นคนนี้ได้ส่วนเรื่องการแตะเนื้อต้องตัวกันนี้มันก็ยังไม่ผิดศีลแต่มันเป็น มันเป็นชนวนที่จะทําให้ไปผิดสีได้เพราะแต่เนื้อต้องตัวกันแล้วเดี๋ยวมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็เลยห้ามไม่ให้แต่เนื้อต้องตัวกันให้แยกกันอยู่ไม่ให้อยู่ใกล้ชิดกันคําถามต่อไปจากคุณวณิดาครับปราบเรียนถามว่าหากมีผู้ที่ใส่บาตทําบุญกับพระรูปหนึ่งด้วยความเลื่อมใสเพื่อสะสมบุญมาเป็นเวลานานแต่มาทราบภายหลังว่าพระรูปนั้นกระทาผิดวินัยสง์ ไม่รักษาสินโดยแท่งคลัดเท่ากับเนื้อนาบุญน้อยบุญที่ผู้นั้นคิดว่าสะสมมาจะมีมากน้อยเพียงใดครับก็มีเหมือนเดิมเหมือนกับเราทาบุญกับคนที่ไม่มีสิ่งทำกับสุนัขนี่เราก็ยังได้บุญเหมือนเดิมมมนไม่เกี่ยวกันบุญที่เราทำนี่เราได้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ท่านให้เรานี้อาจจะอาจจะเป็นของปลอมเช่นธรรมะที่ท่านสอนอาจจะเป็นธรรมะปลอมเท่านั้นเอง พระอาจารย์ธรรมะกรอบอีกคือมุสาเนียก็สอนแบบผิดๆ ถ, ถูกๆไงนา่าบอกไม่ต้องนั่งสมาธิจเจริญปัญญาเลยอย่างเงี้ยสอนผิดคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณเปล่าครับในกรณีที่อากาศหนาวเย็นจัดพระสงฆ์ใช้ถุงนอนได้หรือไม่คะคือสมัยก่อนมันไม่มีถุงนอนพระสงฆ์ท่านใช้ผ้าไตจีวรนนี่เป็นผ้าห่มแล้วถ้ามันหนาวท่านก็นั่งสมาธิแทน คนที่นั่งสมาธิได้เวลาจิตสงบนี้จะไม่รู้สึกหนาวพอจิตเข้าข้างในแล้วมันจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายฉะนั้นถ้าผ้าปฏิบัติจริงๆ้วท่านใช้แค่ผ้าไตจีวร น, นี้พอสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้ามีแค่ผ้าไตจีวรนะถ้าหนาวจนกระทั่งทนไม่ไหวท่านก็นั่งสมาธิเพราจิตเข้าข้างในจิตไม่รับรู้เรื่องของร่างกายจิตก็หายหนาว ร่างกายจะหนาวยังไงก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มากระทบกับจิตใจที่สงบได้คําถามต่อไปจากคุณอุดมชัยครับยมมียมมีข้อสงสัยเจ้าคะ่ะการบูชากุมารทองดีหรือไม่เจ้าคะ่ะไม่รู้นะเพราะเราไม่เคยบูชาบูชาแต่พระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ครนะับคถามต่อไปจากคุณภระสกรครับจิตที่สงบกับจิตที่วางเฉยต่างกันตรงไหนครับ มันก็ต้องสงบมันมัถึงจะวางเฉยได้ถ้ามันวางเฉยแบบไม่สงบมันก็วางเฉยแบบบังคับแบบเฉยเฉยทั้งนอกแต่ข้างในนี่ไม่เฉยข้างในยังเดินอยู่อย่างไม่ว่าวางเฉยแบบบางทีอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องเฉยแต่เฉยข้างนอกแต่ใจไม่เฉยอันนี้ไม่ใช่เฉยจริงถ้าเฉยจริงมันต้องเฉยทั้งข้างนอกเฉยทั้งข้างในเพราะมันสงบข้างใน ข้างในสงบแล้วข้างนอกมันก็จะเฉยจะจะสงบตามแต่ถ้ามันสงบข้างนอกแต่ข้างในอาจจะไม่สงบก็ได้เช่นบางคนเนี่ยไปอยู่ในสาถานที่ต้องสงบก็สงบแต่ข้างในใจยังอยากจะสู่กุลียังอยากจะทำอะไรอยู่มันก็ไม่มันไม่เฉยจริงเฉยเพราะถูกเหตุการณ์บังคับให้เฉยพอมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะไปทำสิ่งที่อยากจะทำทันที คำ ถ, ถามต่อไปจากคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปิยะพลครับหากอยากร่วมทำบุญค่าหนังสือซีดีที่นี่จะร่วมบุญได้อย่างไรครับอ๋อไม่สะดวกลรอกที่นี่ก็มีถ้าอยากจะมาก็เรามาเองสะดวกที่สุดก็มาแล้วก็ใส่ซองเขียนว่าร่วมทำบุญหนังสือซีดีไปถ้าถ้าอย่างนั้นมันมันยุ่งยากไม่อยากจะเกี่ยวข้อง คำถามต่อไปจากคุณธงชัยครับมีสิ่งไหนก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นรักสิ่งไหนก็ต้องทุกกับสิ่งนั้นไม่มีก็ไม่ต้องทุกมัน อ, อออันนี้อันนี้อันนี้อธิบายกันครับคำถามต่อไปจากทางยูทูบครับจากคุณไอซ์เบรสามารถใช้รูปประคำหรือสัมผัสวัตถุอย่างกาอย่างหนึ่งแล้วภาวนาทุทโธจะได้ไหมครับได้แต่มันจะไม่สงบเพราะ<อ>ร่างกายมันยังทํางานอยู่ยังเคลื่อนไหวอยู่ แต่อยากจะให้มันนิ่งให้มันสงบเป็นสมาธิเต็มที่นีต้องน่างกายต้องนั่งเฉยเฉยถ้ายังมีการนับประคำอยู่ก็ได้อย่างมากก็แค่สติแต่ยังยังไม่ได้สมาธิคำถามต่อไปจากคุณเจพรครับทําไมถึงทําไมถึงต้องใช้นี่แทนเขาทํากรรมอะไรไว้อเรื่องของเรา ก, ก็เรื่องของคุณเนี่ยคุณจะไปใช้นี่แทนเขาก็เรื่องของคุณเลยไม่มีใครเขาบางังคับให้คุณไปใช้นี่ของใคร คำถามต่อไปจากคุณดานีครับเพื่อให้จิตเป็นหนึ่งในขณะที่ในขณะที่คิดพุดโทโธอยู่ดูลมหายใจเข้าออกไปด้วยไหมคะไม่ควรนะถ้าทําได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าดูลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวดีกว่ามันจะได้เป็นหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณวานิดาครับถ้านั่งภาวนาแล้วเห็นอวัยวะภายในต้องทําอย่างไรครับดูอวัยวะนั้นหรือพยายามดึงกลับมาที่พุโทโธคร ช่วงนั้นใช้วิธีพยายามมองร่างกายให้เป็นโครงกระดูกตั้งแต่ศีรษะ ถ, ถึงเทา้าวิธีนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับก็แล้วแต่ว่าเรานั่งนี้เพื่อนั่งเพื่ออะไรนั่งเพื่อดูนั่งเพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้หรือนั่งเพื่อให้สงบถ้านั่งเพื่อให้สงบเราก็ไม่ควรที่จะไปเห็นสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราต้องการนั่งเพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆก็ได้เพื่อที่เราจะเอาไปใช้ต่อไปเวลาเราออกมาจากเวลาที่เรานั่ง เห็นร่างกายของใครก็ต้องมองทะลุเข้าไปให้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในทั้งหญิงทั้งชายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นเพื่อจะได้หายหลงหายหายอย่าในการมลทั้งมต่อไปจะคุณนายหนึ่งครับปัญญากับความคิดในทางที่ดีที่เกิดขึ้นในใจของเราถือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ครับ ก็น่าจะเป็นอย่างเดียวกันเพราะปัญญานี้จะคิดไปทางที่ทำให้เรามีความสุขกันทำสิ่งที่ดีกันคท ถ, ถามต่อไปจากคุณจากคุณแมวครับคุณพ่ออายุ75ปีเพิ่งเสียไปก่อนตายท่านเป็นโรคอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ได้เป็นปีสามวันสุดท้ายก่อนตายท่านไม่กินไม่ดื่มน้ำไม่นอนหลังจากนั้นท่านก็เสียก่อนจะทิ้งสังขารไปลูกๆ ก, ก็เห็นท่านทรมานมาก แต่ได้เปิดสวดได้เปิดบทสวดบุญให้ท่านฟังตลอดเวลาจนท่านสิ้นใจไปอยากทราบว่าอาการแบบคุณพ่อตายไปแล้วจิตท่านจะไปสู่สุคติไหมเจคาัดอยู่ที่บุญที่บาปที่ท่านทําไว้ก่อนตายก่อนท่านในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสุคติได้ถ้าบาปมากกว่าบุญก็ต้องไปอาบายแทนคำถามต่อไปจะกคุณแจงครับ เราจะมีวิธีชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมอย่างไรดีครเพราะพี่ๆมักจะอ้างว่าเขาเป็นคนดีไม่เบียดเบียนใครความรู้น้อยกลัวจะฟังไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ก็เห็นพวกพี่ๆมีทุกข์กับปัญหาครอบครัวเราก็ต้องทำเป็นตัวอย่างชวนเข้าแล้วทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำได้เท่านั้นเขาจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขาคถามต่อไปจากคุณภัชกรครับ ทำจิตก่อนนอนแล้วหลับไปเลยอย่างนี้ดีหรือไม่ครับก็เป็นการทำกินยานอนหลับทานที่จะใช้ยานอนหลับก็ใช้การการภาวนาเป็นวิธีทำให้ใจหลับมันก็ไม่ได้สมาธิมันมันเพียงแต่ทำให้เรานอนหลับง่ายไม่ต้องกินยานอนหลับคำ ถ, ถามต่อไปจากคุณหนายหนุ่มครับการคิดพุดโทโธทั้งวันคือการที่เราทำอะไรเราก็คิดพุดโทโธ ประกอบกับกิจกรรมอื่นๆที่เราทำอยู่ตลอดเวลาทั้งวันใช่หรือไม่ครับใช่อย่าไปคิดเรื่องอื่นธรรมดาเรามักจะทากิจกรรมแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นเราต้องการหยุดความคิดเรื่องอื่นด้วยการใช้พุโทโธเข้ามาแทนให้คิดพุโทโธแทนแล้วใจจะว่างจะเบาจะเย็นจะสบายแลวเวลานั่งใจก็จะสงบได้ง่ายนนาวันแล้วนะกายจะหมดเวลาแนละ้วเดี๋ยว นั่งลอยสักสองสามนาทีมีคุณเฉลยเข้ามาครับอนั่งสมาธิภาวนาพุโทโธไม่ต้องดูลงหายใจได้ไหมคะได้จะพุโทโธไปอย่างเดียวอย่างได้อย่างหนึ่งจากคุณพิไลพรครับถ้าเราถือสิ 8, ่งแปลกาตุแป้งปุ่นได้ไหมครับถ้าทาถ้าทาปัญญาได้อยู่ถ้าทาทาเพื่อความสุขความสบายนี้ไม่ได้ไม่ต้องการหาความสุขทางร่างกายเขาลงเล็กมาว่าในกรณีเนื้อตัวเหนียว ก็นั่หละมันเป็นการเป็นการรักษาหรือว่าเป็นการเป็นเป็นการเสริมความสุขถ้าเสริมความสุขก็ะหยัดไปใช้มันถ้ารักษาเพื่อให้ผิวมันไม่อ่มันมันมันมันไม่เสียหายก็ใช้ได้ถ้าใช้กันในการรักษาดูแลร่างกายได้อยู่แต่ใช้เพื่อสร้างเพื่อให้เกิดความสุคนี้ไม่ให้เหมือนกระทาน้ำหอมนี้ ทาแล้รู้สึกได้กลิ่นหอมแล้วมีความสุขแต่เป็นความสุขที่เป็นแบบยาเสพติดต่อไปก็จะต้องทาอยู่เรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ทาเราจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปรู้สึกว่จะไม่สบายดังนั้นอย่าไปอย่าไปใช้มันเพื่อให้เราเกิดความสุขแต่ใช้เพื่อรักษาร่างกายไนะด้วันแล้วเนอะครับมีอีกคาถามนึงครับแต่ไม่ไม่อยากออกนะไม่ต้องออกนานครับ สวดมนต์ต้องอยู่ในห้องพระทุกครั้งไม่หรกักสวดได้ในห้องน้ําก็สวดได้ถ้าเราสวดไปภายในใจควรจะสวดมันทั้งวันเลยทั้งคืนตลอดเวลาไม่ใช่มาสวดแต่เฉพาะเวลาเข้าห้องพระเท่าทนั้นเพราะเราต้องการหยุดความคิดที่มันทํางานตลอดเวลาบนเรื่องอีกคำถามนี้ครับสุดท้ายครับจากุินเจ็บการดูใจของตนเองเป็นการฝึกปฏิบัติระดับทั้งปัญญาแล้วหรือไม่คะ ถ้าจะดูใจได้ต้องหยุดใจให้ได้ก่อนถ้าหยุดใจไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเกิดความโกรธก็หยุดมันไม่ได้เกิดความโลภ ก, ก็จะหยุดมันไม่ได้แต่ถ้าหยุดใจเป็นนะมีสมาธิแล้วก็ดูใจได้ถ้าใจคิดไปทางความอยากก็หยุดมันเสียอย่างนี้ก็แล้วกขั้นปัญญาหมดแล้วนะแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ